จนจนก็พรรษานะ่าจะขยักขย่ายขยักขย่ายนะผมราอัดแน่นกันอยู่นี่ไม่ได้นะนี่ไม่ใช่กระป๋องเนื้อนระ้อย่วัดนะถ้าพากันทราบออกมันแน่นมากแล้วนีเไม่อนๆก็เคลืไปหมดนะตามวัดต่างๆ มันน้องแ่นนี่มีมากเกินนี้เราไม่ัาทำที่นี่มีหลายใครทรางไหมระยะเด๋ยวนี้ระยะนี้แต่ตั้งผ้าอิสานนี่ดูพราจะมากผากระมัานันเวันนี้มันมันมากเกินอัตราแล้วนียจะหาความสงบสงัดไม่ได้ ก็คลายเป็นโลมิเกและคอนไปแล้วมันเป็นได้จริงๆไม่สงสัยความากควาของมันหนักเลยๆๆเถอะแมปกติมันก็เป็นภาระหรืเป็นรถหนักวัดทั้งวัดมั่เหมือนกับรถคันหนึ่งมันจูพระเนรไม่เต็มตือ ด, าดอดาตืดอา ไม่มีอะไรค้องตัวเป็นจุนมุมงเินตักขาวแต่เสียงกับลั่น อ, อยู่ที่นี่หูกับปากจะของมันติดกันอยู่มันไม่ได้ยินแตนล่างอยู่นู่นมันได้ยินอยู่ตลอดถ้าจะรำคาญก็ได้รำคาญเช่นเหลือจะรำคาญมวลาคุยอยที่นีไอหูกับปากมัน ติดกันอยู่นั้นมันไม่ได้ยินนะโอยู่ ไ, ไกลๆ ม, มันทนไม่ได้มันได้ยินตลอดเพียงเท่านั้นรู้ไม่มีเจตนาะเือที่คือครองผู้พูดตขาไม่ีเจตนาะแต่เรื่องความจรงมิงนับเป็นความจรงิงเหมือนั้นว่าไงมันก็ลั่นอยู่นล้ว เนื้อพูดมีกิยาคึกขนองด้วยบางหลายดูไม่ใช่ไม่ค่อยจะบางหลายกับส่วนมากพูดทิ่ให้การแนะนำสั่งสอนกับดูกิยาที่แสดงนั้นมันเข้ากันไม่ได้เหมือนกับคนไข่กินของแสลงต่อหน้าตตามหมอที่ห้ามว่าของนี้แสลง เป็นอย่างนั้น่นไม่ได้กินรับหลังมันกินต่อหน้ากินของแหลงต่อหน้าหมอที่ห้ามท่านท่านกินหมอนั่นจะเป็นผิดเพี้ยวถือคนไข้แต่คนไข้ก็อดความอยากอดนิสัยลุกลามเดีย่ยวนั้นไม่ได้ก็กินของแสลงต่อหน้าต่อตามหมอนี่ย หมอจะทำยังไงก็หมอก็บอกแล้วว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนั้นผิดแล้วคนไข้เขามอกินอยู่แต่หน้ า, า, าแต่้ามหมอมำเลือมันก็เป็นอย่างเป็นสิ่ที่ด้อยอันในกิริยาความคืบความกวมนมันคนือคือของแสลง องอไหนมาเมื่อสองสาวันนี่รับไม่ได้นะจะบอกให้นะมันแน่นแล้ว น, นะถ้าสักสามสี่สิบไปแล้วมันอยู่วันยังไงที่องอสงบสมาธิทนนานมันจะเกิดประโยชน์อันนี้มีเกิด อัดตัวเ่องกันอย่างนี้เฉยเมื่นเกิดปดืออะไรเราพวกให้อาวาดทางสอนอบรมเราก็เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ทำไมผู้มาศึกษายังะยจะคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างไรมันเลยความพอดี อ้รก็มีแต่คิดตั้งใจจะอยู่จะอยู่ไม่คํหนึง่งถึงความได้ความเสียมันก็ไม่ถูกอยู่ก็อยู่หมายถึงเหตุผลทุกคนจะอยู่ไปก็เหตุผลคนจะไปไม่ใช่นอกเหนือเหตุผลไปทั้งการอยู่การไปต้องเห็นใจนำผมเลี้ยงใจดัทงที่เคยพูดอยู่แล้ว แต่ความตั้งใจนี่จะเกิดเป็นไปตามมันนี้ผลประโยชน์มันก็เหมือนมีนอกจากผลเสียมันจะมีมาเรือวัดท้งว่านแน่นหาที่สมบสมูรณ์ไม่ได้เดินไปไหนก็ได้ยินเสียงมันกคค็คือคักคลงอยูอ่นี่มาให้สมบนรณ์สั่งหนัก เหมือนภาษาที่ผมเป็นมันจะไม่เป็นทั้งนั้นแล้วเดินเขาตามป่าตามซอบนั่นเมือมันมากออาไปแล้วคนไปอยู่ที่ไหนย่อมส่งเสียงที่นั่ น, นเหมือนสัดว์มันเขาอยู่ที่ไหนต้อไม่ไปส่งเสียงเงียบคนส่งเสียง นนคนเป็นที่เกิดเยียงสัตว์ด้วยยิ่งยังคนเป็นที่เป็นภัยกว่าทิ่ยาของสัตว์ด้วยมันต่างกันนั้นคนจึงต้องมีจีงบังคับเป็นประจำมาตั้งแต่เป็นเชื่อชาติมนุษย์มานะ ม, นมีกฎมีกติการมีความบังคับมีกฎหมายบ้านเมืองสีง่งธรรมก็เป็นพื้นอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าผู้ที่จะนำสิง่งธรรม มาเป็นกดเกณอ์แบบฉบับยุคข้อบังคับมนุษย์มีเป็นครั้งคราวเท่านั้นและแม้ ก, กระจายไปทั่วไปเหมือนขนบทรรเนียมกดข้อบังคับของมนุษย์ที่มีอยู่ประจําโลกยิ่งทำนิสสัญนามีเป็นบางวัดบางสถานที่บางสถานที่ก็ไม่มีแม้ศาสนามีอยู่ก็ตาม แต่เพราะไม่กระจายมันจะถึงหัวมนุษย์นดื้อได้มากมันมต้องมีข้อบังคับของขนาดนั้นว่า อ, อย่างนั้นก็ถูกความจริงก็มีอย่างนั้นด้วยทามนุษย์ไม่ื่อการลงลุงไม่มีกฎบอกข้อบังคับของมนุษย์ะตัวทําลายตัวพิหน้าศพินหน้า น, นุศหายต่อกันแล้วีอื่นอื่นชาติอื่นอื่นมากมาย ไม่มีใครเกินมนุษย์แต่ถ้ารับการอบรมแล้วมนุษย์นี่ก็ดีกว่าสัตว์ทั้งหลาอยอีกนี่ความได้ความเสียทางได้ทางเสียมันก็มีเหลื่ยมน้ำต่างกันมนุษย์มากจะทําความเสียหายมากกว่าสัตว์นี่จะทําความดีเล่นน้อย ยี่ต้องมีข้อบังคับแม่ไม่ได้ความดีมากแต่ก็ไม่สำคัญลูกลามเดือดร้อนแต่คันก็ยังดีเนี่ยผมเหนื่อยลงทุกวันทุกวันจะลูกจะเดินนี่ต่างทาต่างทางกันแล้วเนี้ยผ่านละยิ่งจะหนักขึ้นหนักขึ้นมีสมบุญมันได้ยังไ หูเพื่อนที่มาราบับกาโรโภชนาจะไม่เกิดประโยช <c oughs> น์ในสันนบานี้สาเ ก, ก้าองเงือหะหรือเปล่งเนี่ ท่านอะไรองนั่นองที่ไรนี้จะสลานั่นชื่อว่าไงใครนี่เป็นอยู่ประจำนะเหมือนไม่มีหูม่มีตาเหมือนไม่มีใจแต่ทั้งตั้งี่เพื่อนไหวไปมา ความคิดจะยกแยกแยกขาดกันนิดหนึ่งไม่เห็นมีเลยมีแต่ลาบจะถูมันไปเราจะตายผู้ลากกูเห็นกัเลยจะตายเห็นไปไหนก็ไม่ไหวล่ะลุ่มขนาดนั้โอ้หนักนะผมหนักใจมากยังไงใจก็หมั ให้ความคิดปฏิบัติต่อบทของเล็กๆน้อยๆนั้นก็ไม่ได้เรื่องนสิ่งทั้งหลายผมไม่ได้มีคุณค่า ย, ยิ่งกว่าพระในวัดนี้นะเพราะนันถึงต้องจดต้องจ้องอยู่กับพระอะไรผิดก็แสดงถึงพระเรื่องภายนอกเหล่านั้นผมไม่ถือมัน อะไรเป็นตำมบำาเนี่ยถือพระเป็นประมาเคลื่อนมากเคลื่อนน้อยเสียมากเสียน้อยได้มากได้น้อยมันขึ้นอยู่กับพระมันตรงนี้ต่างหากเราไม่ได้ไปถืออะไรเป็นนําคัญยิ่งกว่าถือความเคลื่อนไหวของพระที่ผิดถูกดีชั่วประการต่างๆเพราะพระมาอบรม แล้วกเกี่ยวกับเรื่องประชาชนระวังให้มากนะมคุ้นคุ้นเคยสนิทสนมกับใครไม่ได้ยิ่งเป็นฝ่ายพิการด้วยแล้วนั่นเด็ดขาดเลยนะเ๋ยวว่าไ่บอกนะนั่งใต้ทุนศาลาเหมือนกัน มีประโยชน์เนี่ยนั่งหาประโยชน์อะไรนอกจากนั่งหาโทษคอบหัวอยู่ขอ ง, อของอเราดูมานานแล้วแต่เราไม่พูดนลังตัวหลังชานนี่คือพงศ์แต่ถุนสลับพักมานั่งนี่นั่งหาประโยชน์อะไรมันนั่งดูใช้หนังก็เลยมีประโยชน์อะไร นี่นคนอะไรนอกจากมันที่หมูแทนตาโคกจะแตกท่นั้นาแก่คนหนีไปหมดแล้วมันนั่นงภาวนาหรวอนั่งอะไรนั่งก็เป็นดีอย่างนั่งในเวลาเทียง น, นั่งมันนั่งเพื่ออะไรหาเหรหาผลา่ด้ทำไมจะ น, นั่งเพื่อนหน้าด้าน มันหยาบเ ข, า ไ, า, า, บเขาไปอยู่ขานาดมันหยาบเขาอยู่นั้งทาเรามันนั่งเพื่ออะไรมีเท่านั้นเราเล็งหาเห็นครับผลอะไรมันไม่มีไม่เห็นเพราะว่าเมื่อ ย, ยังไม่รู้สึกตัวอยู่นขนาดนั้นนจริงได้บอก่อนไม่บอกความขนาดนี้นยังไม่บอกมันก็ไม่ได้เรื่อ ง, องนี่เจะาบาน น่อา um,